เมืองไทยมีสิ่งที่มีค่าสูงสุดแต่นักศึกษาส่วนมากมองข้ามอันที่จริงหลักการดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานั้นคนทั่วไปก็ทราบไม่ใช่ว่าเรื่องที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้เป็นเรื่องลึกลับไม่ค่อยจะมีใครรู้ตรงกันข้ามเรื่องอย่างนี้เรารู้กันมานานแล้วแต่เราไม่ค่อยจะนำมาคิดและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ สมัยนี้คนทั่วไปที่มีการศึกษาดีมักจะคิดเอาแต่วิธีการของชาวต่างประเทศมาใช้เพราะรู้สึกกันว่าวิธีการต่างๆที่ดีๆนั้นมีอยู่เฉพาะที่ต่างประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้ามีฐานะดีและมีโอกาสก็จะพยายามดิ้นรนไปศึกษาตอนในต่างประเทศไปดูงานในต่างประเทศเพื่อที่จะนำเอาวิธีการต่างๆของเขามาใช้ในบ้านเมืองของเรา อันที่จริงวิธีเช่นนี้ก็นับว่าเป็นวิธีที่ดีควรสนับสนุนแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ในเมืองไทยเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งและเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของโลกคนที่มีฐานะดีมีสมองดีมีการศึกษาดีกลับไม่สนใจในทางพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรทั้งท้ที่คนเหล่านี้ก็มีโอกาสพอที่จะศึกษาหาความรู้ จากทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีแต่เพราะไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาเขาจึงไม่ค่อยสนใจอันที่จริงถ้าคนเหล่านี้จะเพิ่มมีศรัทธาและตั้งใจเข้ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนายัางเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่ตนศึกษาในวิชาอาชีพต่างๆแล้วเขาก็จะได้สิ่งที่ดีๆของพระพุทธศาสนาไปพัฒนาบ้านเมืองได้หลายอย่างท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า การที่คนไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาดีและมีอิทธิพลในวงงานต่างๆไม่สนใจต่อพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรอันนี้แหละคือสาเหตุใหญ่อันหนึ่งที่ทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ผลสมดังที่คนส่วนใหญ่ปรารถนา